การเจริญวัตถุฐานก็ขอพูดเบื้องต้นก่อนการเจริญคำถามจริงๆต้องทิ้งเบื้องต้นมาได้ก็คื อ, อนาปาโนสติแต่ว่าพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์เก่าๆที่ท่านทําได้โดยมากท่านจะสอนให้ขึ้นวิปัสสนาญาณก่อนอันดับแรกก่อนที่เราจะภาวนาแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือใช้ลมให้ใจเข้าออก เมื่อรู้ลมหายใจเข้าออ ก, กเขาก็พิจารณาไปด้วยใช้วิปาาัสสนาญาณเบื้องต้นนั่นคือนิจังทุกขังนัตตาอันนิจังทุกขัง น, นัตตาในเรื่เป็นวิปาาัสสนาญาณขั้นอ่อนเป็นขั้นต้นพิจารณาว่าโลกนี้เป็นนิจังคำว่าโลกทั้งโลกของทั้งหมดคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงคือร่างกายของคนมีสภาพ ขึ้นไหวเป็นธรรมดาขึ้นไปจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวเป็นใบกลางคนจากใบกลางคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายวัตถุธาตุต่างๆก็มีสภาพเช่นเดียวกันจากเป็นของใหม่มันก็เป็นของเก่าเต่าขึ้นมาทุกวันทุกวันใ น, น, นที่สุดมันก็พังดวงความว่าโลกชีวิตของโลกเป็นของไม่เที่ยง ไมเมื่อโลกไม่เที่ยงแต่ความรู้สึกของเราคิดว่ามันเที่ยงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งความตายเป็นของธรรมดาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแต่คนส่วนใหญ่ลืมนึกถึงความตายใช่ไหมเสเวลาบินไปนึกถึงความตายไมไม่นึกนนะันจับได้คนละคนนายนะย ความจริงมันต้องตายทุกคนเกิดมาต้องตายแต่เราคิดว่าเราจะไม่ตายเข้าใจว่าชีวิตของเราเที่ยงในเมื่อความไม่เที่ยงปรากฏขึ้นความหวันไหวของจิตก็เกิดขึ้นอย่างความป่วยไข้ไม่สบายนี่มันมีคพราะนก็มีไปพรธรรมดาของคนแต่เราไม่เคยคิด ว, าวด่าเราจะป่วยเห็นชาวบ้านาเขาป่วยแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะป่วยถ้าความป่วยเกิดขึ้นก็มีความบันไหวของจิตเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้น ตมาเราเราไม่นึกว่าระยะแก่เมื่อความแก่เกิดขึ้นมาความคล่องตัวไม่มีคนแก่ที่ไม่มีการคล่องตัวหูก็ไม่ดีตาเขาไม่ดีใช่ไหมหูฝ้าตาฟังมันก็มองอะไรไม่ถนัดฟังอะไรไม่ถนัดร่างกายที่อ่แรงก็ไม่ดีไปทำอะไรก็ไม่ถนัดทางคล่องตัวไม่มีความทุกข์ก็เกิดเราลืมนึกว่าระยะแก่นาที่สุดความตายจะเข้ามาถึงก็ไปทุกข์ไม่อยากจะตายแต่นั้นก็ตายครับ ก็คิดในใจไว้เสมอว่าขึ้นชีวิตโลกทั้งโลกจะหาที่ไหนก็ตามไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์โลกทั้งโลกไม่มีความเที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงโลกทั้งโลกมีการสลายตัวใ น, นที่สุดแล้วก็มันคิดถึงโลกทล้วง็ห่วงเส้นชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามันก็ไม่เที่ยงโดยเฉพาะอย่างนี้ธรรมะพระเจ้าสอนเราหาตัวให้ดูตัวของเราว่ามันเที่ยงไหม คามไม่เที่ยงของร่างกายปรากฏโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกิปรากดง่ายๆตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่เรายังไม่พูดสารีสัตว์กันนะถ้าพูดนารีสัตว์ตอนเช้าตื่นมามันทุกข์ในเรื่ไม่พูดถึงกันนะเอาแต่ขั้นอ่อนกันก่อนตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วมันก็หิวหลังจากหิวแล้วก็บริโภคอาหารเรากินอาหารจนอิ่มถ้าความกิงท้งสภาพมันเที่ยงอิ่มแล้วมันต้องไม่หิวใช่ไหม การเคลื่อนไหวของเวลาเลื่อนไปไม่ช้าก็ตอนกลางวันวก็หิวใหม่นั่นเมื่อความหิวเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์เป็นตัวที่สองนะนี่เราไม่พูดนะได้ยี่สัยกันนะยวปริชาตมันจบแล้วมันจะว่าเอา <c oughs> <c oughs> พอถึงตอนเย็นมันก็หิวใหม่ดีไม่ดีกลางคืนหิว อ, อีกใช่ไหมก็โรคความว่าความกายของความหิวก็เป็นทุกข์มันมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ ในสุดความความหิวเกิดขึ้นความต้องการเกิดขึ้นอะไรก็ตามเถอความทุกข์เกิดขึ้นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นในที่สุดก็ตายในเมื่อเราคิดว่าชีวิตของเราจะต้องตายแล้วพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างไงตายแล้วมีสภาพศูนย์หรือไม่ศูนย์อันนี้พระพุทธเจ้าจะบอกว่ามีสภาพไม่ศูนถ้าอารมณ์ใจของเราดีคือจิตเป็นบุญศูนยขณะจะตายก็ไปสู่สุคติก่อนมีสวรรค์เป็นต้น ถ้าก่อนจะตายอารมใจของเราเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติก่อนคือมีนรกเป็นต้น <c oughs> ถ้าจะถามว่านรกกสวรรค์มีไหมคนทั้งหลายนั่งนี่เี่ทั้งหมดตอบแทนแันได้หมดเกือบหมดทุกคนนะเพราะเขาไปเห็นกันมาแล้วใช่ไหมพเพราะว่าเจ้าตายแล้วไม่ไม่ไมีสภาพไม่สูญนี่จริงเขายืนยันว่าจริงถ้าหากว่จิตของเราดีมีกุศลเราจาใจ อย่างน้อยที่สุดเราก็พบสวรรค์กําลังใจมีความมั่นคงดีเป็นฌานสมาบัติก็ไปพรมโลกแต่ว่าเวลาก่อนจะตายถ้าจิตใจเบื่อร่างกายหรือ <c oughs> ว่าร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ดีมีทุกข์แต่ทุกขเวทนาไม่มีการทรงตัวถ้าเกิดอีกชาติใดก็ตามเราก็มีความทุกข์อย่างนี้เราเบื่อร่างกายถ้าเบื่อร่างกายก่อนจะตายเวลานั้นเป็นพาระอรหันตปฏิภาณไปไม่ยากนะ ลึกแค่นี้ไว้ก่อนนะเอาง่ายๆว่าอนโรกแปลนิจังหนึ่งมันไม่เที่ยงดูทีอะไรมันเที่ยงบ้างอย่างผมบนทิศนี้เที่ยงไม่เสเที่ยงนะมันยาวเกินไปแล้วต้องตัดทิ้งถ้ามันเที่ยงมันต้องพอดีที่เราชอบใจใช่หไหมถูกไหมตัวมาถูกพูดต่อถ้าไม่ถูกพูดใหม่ปากเราก็ไม่เที่ยง ตอนเช้ายิ้มได้ตอนสายด่าเขาแล้วเทียงไหมไม่เทียงนะแล้วเฉพาะอย่างนี้ปากก็ตอนเช้าตื่นมาใช้ยาที่ฟันถ้าใช้อะไรเข้าไปสักปากหอมฉุยประเดี๋ยวเดียวก็เหม็นแล้วนี่สภาพมันไม่เทียงอย่างนี้นกระดองความในเมื่อร่างกายของเรามีสภาพไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ถ้าอย่เกิดชาติไหนมันก็มีสภาพแบบนี้ ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีความทุกขเวทนาจาังสรหัสเราไม่ต้องการมันเอาที่จะย่อแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นก็จับลมให้ใจเท่าออกใช้คาภาวนาด้วยคําภาวนานี่ก็ไม่ขอจํากัดเพราะว่าการเจริญสุขภาจจกูเขาไม่จำกัดคำภาวนาขั้นต้นมันมีขั้นต้นขั้นปลายนะสุขภัจโกนี่ไม่ใช่มีอย่างไม่ใช่ไม่มีขั้นเดียวมีหลายขั้นมีสามขั้น ท่านต้นไม่จำกัดคําภาวนาท่านจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําว่าภาวนาว่าพุทโธแต่ว่าแต่ใครภาวนาอย่างไหนคล่องแล้วก็ภาวนาอย่างนั้นอย่าเปลี่ยนคำภาวนาที่คล่องแล้วอย่าเปลี่ยนถ้าเคลืนเปลี่ยนเป็นการขึ้นต้นใหม่ไม่ดีว่ายแเข้าลงพื้นสุดเดิมก็ยากเมื่อใช้คำภาวนาควบคู่คำภาวนาพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกหรืวโธอย่างนี้เป็นต้น มีตอนต้นเขาสอนกันท่งก็สอนใช่ไ้ยคนอื่นท่านก็สอนภาวนาไม่จำกัดแต่บางแห่งท่านจำกัดภาวนาไาตมาไม่ขอไม่จำกัดเพราะว่าภาวนาเป็นการยึดอารมณ์ให้เป็นสมาธิขณนะใดที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธิในอนาพาโนสติขณนะใดที่จิตรู้คำภาวนาขณะนั้นจิตเป็นสมาธิในคำภาวนา ตอนน้พอมาถึงขั้นกลางสุ ข, ขาริสโกนะพอถึงขั้นกลางก็แยกแล้วขยันปฏิบัติแบบไหนก็มาฐานจริงๆสําหรับผู้ปฏิบัติในขั้นสุ ข, ขาริโกมีสีกองภาวนาต้องย้ายไปตามกองเช่นเราจะปฏิบัติกรสินขั้นต้นปทวีกรสินต้องภาวนาว่าปทวีกระสินนังเห็นไหมล่ะ ต้องยายแล้วต้องให้ถูกกองนะอย่างไรจะปฏิบัติในะสุภกรรมฐานเอากองไหนยังพิจารณากระดูกก็ต้องรบรเนาว่าอาธิกังปฏิกุลังตอนนี้บาถึอขั้นปลายที่สุดปลายที่สุดเขาใช้คำวนาว่านิพพานสุขขังแต่ก็ไม่แน่นะบา ร, รมีของคนไม่แน่นอนนะอย่าไปนึกว่าใครทำไม่ได้นะไม่จริงไม่พูดให้ฟังเฉย แันได้ต่อมาการภาวนาไปรู้ด้วยรู้ลมหายใจเขาออกด้วยอาการของจิตจะเกิดขึ้นในเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ต้องระวังทุกคนต้องระวังไม่กันหมดเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนั้นจิตเริ่มเป็นชิปอารมณ์เริ่มเป็นชิปอันดับแรกจะเป็นชิปในน้อยจะไม่สามารถดินเสียงได้จะจะเห็นภาพได้ จะเห็นภาพแล้วภาพภาพก็หายไปถ้าเห็นบางท่านจะเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองก็ตามปรากฏขึ้นบางทีบางแห่งนะเขาบอกว่าสําเร็จแล้วแต่นั่นเป็นเพียงนี้เป็นนิมิตของนาปานสติกรรมฐานบางท่านเห็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างพรหมบ้างหิมานบ้างเห็นว่าภาพอะไรต่างๆมาก็ตามแต่การเห็นเป็นของดี ให้เข้าใจว่าเป็นของดีเพราะว่าเวลานั้นจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิแต่การเห็นว่าอุปจารสมาธิจะเห็นไม่นานอย่าลืมว่าขณะที่เราจะเห็นเราไม่ได้นึกว่าจะเห็นเราภาวนาเรื่อยๆไปจนเริ่มตั้งเริ่มจิตเป็นสุขจิตมีความอิ่มจิตมีความสุขขึ้นภ า, า ภ, าาภาพกรากฏพอภาพกรกฏภาพจิตนึกถึงอยากจะดูภาพจิตตกสมาธิตกภาพหายไป ตอนนี้บางท่านจะบอกว่าจงอย่าติดในภาพอันนี้เป็นของจริงถ้าติดในภาพต่อไปจะเป็นโรคเส้นประสาทเพราะอะไรไหมวันนี้เราเห็นแล้วพรุ่งนี้อยากจะเห็นใหม่ถ้าคิดว่าอยากจะเห็นนี่มันจะไม่เห็นเลยเพราะคิดว่าจะอยากจะเห็นนี่เป็นนิวรณนตัวที่สี่คืออุตจากขุกจถ้านิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาเสิ่งใจเวลานั้นสมาธิจะไม่เกิด ดังนั้นในเมื่อปรากฏภาพขึ้นมาแล้วก็ถือต้องถือว่าภาพอยากจะเกิดก็เกิดไปมีก็มีไปภาพหายไปก็เชิญหายไปแล้วไม่ติดใจในภาพเลยไม่ใช้ได้นะนี่เป็นอันดับที่สองนี่ต่อไปใค ไ, ไปถึงเอ่สวิไตไฟตาครอไหมนะนี่ต่อไปนั่นเป็นเมือม่อในเมื่อจิตเข้าถึงอุปอจารสมาธิ วันอาการเขา อ, อุปจารสมาธิคือปีติอันดับแรกก็มีปีติกับศอกเมื่อถึงเข้าถึงปีติจะมีอาการห้าอย่างแต่จะไม่เกิดกับคนทุกคนทั้งห้าอย่างนะบางท่านกับประศอกบางท่านกับประพบบางอย่างมันนั่งพบไม่เหมือนกันอาการก็ปีติอันดับแรกคือหนึ่งขนพองสยองกล้าว พอเริ่มภาวนาขึ้นมาปับจิตไปสมาธิจะมีขนลุกสู้ซาทั้งตัวนี่เป็นอาการเขาปีนิข้อที่หนึ่งอาการเขาปีติข้อที่สองนตาไหลพอจิตเริ่มเป็นสมาธิน้าตาลก็ไหลแต่ว่าในเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธินั่นเองมันเป็นเรุ่สมาธิง่ายจะดูอะไรก็ตามสมาธิจะเกิดทันทีทันใดเพระความอิ่มใจไม่เกิดปีติแต่คการอิ่มใจ พอดีใครพขาอะไรที่ชอบใจว่าชอบใจก็น้าตาไหลไอ้น้ำตาไหลนี่บังคับไม่ได้จืด ก, กว่ามันจะผ่านไปก็ต้องคิดว่ามันจะขนลุกกว่าฉังมันน้ําตาไหลก็ฉั่งมันจิตใจเราดีก็่ลอะกันก็ราะการฝึกก็ฝึกจิตใจอาการที่สามเขบีบติดคือร่างกายโยกโครงโยกไปข้างหน้าบ้างโยกไปข้างหลังบ้างทนเย็นทนเยินไปแต่จิตเป็นสุขอาการที่สี่จะเต้นเหมือนกับปลุกพระฤาษีต่อลอยบรรยากาศ ดีไหมไอ้คนเครื่องบินไอ้รักกระแ ย, ย่บางท่านก็ตัว ล, ลอยขึ้นบนอากาศเข้าใจว่าเหาะแต่บาดีไม่เหาะเมื่อไปแล้วมันจะกลับที่เดิมถ้าไม่ติดทั้งคามันก็ไปไกลมันไปได้จริงๆนะบางทีช่องหน่อยเดียวช่องเล็กนิดเดียวมันออกไปได้ออกไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจถ้าจิตเริ่มคลายสมาธินิดเดียวมันจะกลับที่เก่า ถ้าจิตยังไม่คลายสมาธิมันกวนไปวนมาอย่างพระธินกรศรีธรรมราชถ้าบอกว่าท่านเหาะไปได้โทัธินกรศรีธรรมราชประมาณ10นาทีก็กลับจีตเดิมอย่างนั้นยังไม่ถือว่าเหาะถือว่าเป็นปีติตัวที่สี่ถ้าเหาะนี่เราต้องมาคับเองได้จะไปทาไหนจะไปที่ไหนไปจุดไหนจะลงที่ไหนก็ไปได้ตามชอบใจนี่เรียกว่าเนื้วต่อมาปีติตัวที่ห้าอาการก็ปีติตัวที่ห้า จะมีาการซาบซาดเวลานั่งอยู่จิตสบายมากแล้วผลรู้สึกมีการโซ่ชาหน้าจะใหญ่ขึ้นตัวจะโตขึ้นมีความรู้สึกแบบนั้นนะถ้าต่อมาจะมีความรู้สึกเหมือนกับลมไหลจาก จ, จ, จ, จากกายทัดกายมันไหลเข้โทั่ั่วกายพอลมไหลออกทั้งหมดในที่สุดจะบากฏว่าไม่มีความรู้สึกมีตัวอยู่จะรู้สึกแต่หน้าอย่างเดียวรู้สึกว่ามีแต่หน้าอย่างเดียวแต่ว่าหน้านใหญ่มาก เวลานั่นยงกินลิ้งกัดไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นอาการของปีติทุติห่าเท่าที่พูดให้ฟังวันนี้ก็เพื่อเป็นการปร้องกันความสงสัยของบรรดาท่านผู้ตบริษัทเพรามีหลายคนเคยไปถามว่าทําไมใครพูดอะไรชอบใจน้นนําตา ม, มันไหลบังคับไม่อยู่อันนี้เป็นอาการของปีตินะแล้ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็เลิกตอนนี้ในเมื่อปีติเข้าถึงที่สุดมันก็มีความสุขนี่เป็นอาการข้งชาญ ความสุขที่เราพบเราจะไม่เคยพบความสุขใดๆในโลกนี้ที่มีความสุขในขนาะนั้นมันมีความสุขยอดเยี่ยมเป็นความสุขที่ไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุใดๆทั้งหมดบอกไว้ถูกเห ม, กมือนกันเมื่อความสุขก็มาถึงก็เป็นเองกับคตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งเอกะตะวันหนึ่งคำว่าอารมณ์เป็นหนึ่งไหมเพราะว่าอารมณ์เราจะทรงตัวโดยเฉพาะถ้าถึงตรงนี้เขาเรียกว่าผมไม่ชาน เราจะสังเกตได้ยังไงว่าอรมณ์งราเป็นหนึ่งหรือไม่เป็นหนึ่งก็ให้สังเกตเสียงว่าทศมัจจานี่ว่าทศมัจจานนั้นสังเกตในเสียงหูได้ยินเสียงทุกเสียงทุกอย่างได้หมดเขาร้องราทําเพลงก็ตามมันก็ด่านก็ตามก็คุยกันก็ตามเสียงพูดเสียงตะไลก็ตามเสียงอะไรเสียงด่างๆก็ตามจะดังขนาดไหนก็ตามเราได้ยินหมดรู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่ไม่รําคาญในเสียง สามารถรู้ลมหายใจเขาออกได้สามารถภาวนาได้ตามชอบใจปีจิตทรงตัวอย่างนี้เป็นปฐมฌ า, านแต่อย่าลืมว่าอาการของปีติก็ดีอาการเขาสุขก็ดีอาการของปฐมฌานก็ ด, ากากาากดีจะมีกับเราช่วงขณะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ถอยลงใช่ไหมการที่ฝึกก า, การทรงฌานให้ได้นานๆก็าต้องใช้เวลา ย้อนสมัยก่อนท่านไม่มีนาฬิกาหายากนาฬิกาเขามีแต่พระบันนอกหายากนะก็ใช้เทียนเอาสตังไปติดไว้น้อยๆเทวดาสั้นๆตั้งใจไว้ว่าถ้าสตังนี้ยังไม่หล่นเพียงใดเราจะไม่ยอมคิดที่เรื่องอื่นอีกอันขาแต่ถ้าใหม่ๆแล้วก็ไปก่อนไมันก็คิดนอกนอกรลกนอกความไปก่อนไม่ช้าไม่นานนักจิตก็สามารถทรงตัวแค่ดี่สตังติดสตังโดนแก้งเถียอใช้ได้ เมื่อทําได้จะนั้นคล้องแล้วทั้งขยับให้ยาวไปหน่อยขยับไปอยับมานะตอนนี้วิธีฝึกถ้าเราไม่ใช่สตางค์ก็ใช่ลมให้ใจเขาออกใช่ลมให้ใจก็ออกที่สบายไม่ต้องหาว่าถูกต เ, เครื่องวัดให้ใช้การหนะึ่งถึงสิบล้วรูลมให้ใจเข้าออให้ใจออกกับภาวนาเชื่อพราะมะตัวภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธเจญาอ่นออพุทโธนันับเป็นหนึ่ง ถ้านับหนึ่งอย่างนี้หนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปเก้าสิบตั้งใจไว้ว่าถ้าภาวนาไม่ถึงส0เราจะไม่ยอมคิดเรื่องอื่นแระจงอย่าลืมนะภาวนาหนึ่งนิ้วสิบอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรกเอาเข้าจริงๆนะประเดี๋ยวหนึ่งสองสามมันยองกำลมาแทรกแล้วใช่ไหมถ้ามันแทรกเราต้องเริ่มต้นใหม่ให้เสร็จ ถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดถ้ามีรมแทรกเราจะไม่เลิกถ้านับหนึ่งถึงสิบคาว่าหนึ่งคำว่พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสาพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหถึงสิบถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ทรงตัววันนี้ทรงตัวเวลาเขาข้าสามารถทําทรงตัวได้เช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไม่ต้องลุกมานั่งนอนแบบนั้นแหละภาวนาแบบนั้นให้ได้หนึ่งถึงสิบเราก็เลิกที่อวลาช น, นะ ทำอย่างนั้นให้ชินพอชินแล้วก็เริ่มต้นต่อไปใหม่เขาได้เอาหนึ่งถึงยี่สิบต่อไปถ้าหนึ่งถึงยี่สิบได้ก็ต่อไปหนึ่งถึงสามสิบถ้าทำอย่างนี้จริงๆไม่เกินสามเดือนสามสี่ร้อยังไม่ไปไหนเล ย, ยไม่ใชเลยได้ลองแล้วนะถ้าเราทำได้ีนี้เราสามารถจะทรงชาญได้กันนาน เวลาต้องการต้องการชายจริงเราจะสมได้ตามเวลาที่เรานับอย่างสมมติว่าถ้าอาการของปีติไม่เกิดขึ้นโอเพียงคาปีติปีติตัวที่สี่มันลอยไปไงั้นใช่ไหมมันลอยไปตั้งชั่วโมงดีไม่ดีก็เป็นลงที่รักไปถูกระเบิดตายตอนนี้ไม่จะเหาะนะ ใ, นให้รู้กันก็เป็นว่าอันดับต้นคำบรรดาญาติหลวงพ่บริษัทตรวจทราบ อันดับต้นจ ร, จริงๆคืนหนึ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก <c oughs> เวลาที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตอนนั้นจนอยากคิดถึงเรื่องอื่นเป็นอันขาดบังคักใจมันไว้แต่มัก็คิดอะไรก็คิดแน่ต้องแสกแน่นะในกาในสองเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วพอจิตเริ่มเป็นสุขนิดหน่อยตอนนั้นก็นึนกถึงมิปัสนาอยานเรื่อ ง, อ, ง อ, งองสต้นเคอนิจจังพ่าโลกทั้งโลกเต็มไปด้จังหาความเที่ยงไม่ได้ ใสก็ไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงจิตายงานทุกอย่างก็ไม่เที่ยงวาจากคนก็ไม่เที่ยงอาการอารมณ์จิตใจเราก็ไม่เที่ยงต่อการที่สองในเมื่อมันไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยงมันก็เป็นทุกข์ตการที่สามในที่สุดคนก็ตายใส่ก็ตายพัตถูกท่ายกทังหมดเปรนยณาตาคิดอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จับลมหายใจเขาออกเขาก็ทํำภาวนาภาวนาเวลาภาวนาเจนจะาบังคับร่างกาย สำหรับร่างกายนี่ถ้าอยู่ที่บ้านก็ให้ร่างกายมันสบายถ้านั่งไม่สบายก็นอนท่านนอนไม่สบายก็นั่งกับอีนั่งกับอีธรรมดาไม่สบายก็นั่งกับอีโยกนั่งกับอีนอนอย่างนี้ก็ได้ทุกอย่างทั้งหมดให้จิตมันเป็นสุขก็ถือว่าเป็นเวลากําลังฝึกต่อไปไมเมื่อจิตก็มีเราสบายได้ตอนเข้าทั้งปีตีนอย่าลืมภาพปัญญากเกิด <c oughs> บางคนก็เห็นภาพอย่างนั้นอย่างนี้ภาพาเนี่ยจะว่าจำกัดภาพไม่ได้โดยมากแสงสีมม่จะมีก่อนสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็ตามเถิดถ้รูปภาพ ต, ต่างๆเกิดขึ้นก็นตามจงยาติดในภาพเมื่อภาพเกิดขึ้นแล้วก็จับภาพถ้จาจับภาพทรงได้นานเท่าไรสมาิแสดงสมาธิอย่งทรงตัวเท่านั้นถ้าภาพหายไปแสดงสมาธิตกลง มาภาพหายไปก็ตามใจแล้วไม่สนใจหายไม่จับเราไม่ใจเขาออกใหม่ต่อไปเมื่อจิตเข้าถึงสุขถ้าถึงเอกกักกตารมคือผสมไม่ชานที่พูดไปแล้วนะตอนนี้ไปก็จะขอพูดเบื้องปลายเึื่อต้นแล้วไปปลายเลยเพราะว่าย่ามตรงกลางไม่ได้เวลาแล้วเสียบงทีนะ ตอนปลายของชีวิตเราต้องการทำบุญเพื่ออะไรคำว่าบุญนี่มีสามบุญใช่ไหมหนึ่งการให้ทานก็เป็นการทำบุญอสองการรักษาสิ่งก็เป็นบุญสามการพัจเจริญภาวนาก็เป็นบุญ <c oughs> จริงจริงแล้วพระเจ้าท่านบอกว่าสิบสิบกับสามมีสิ บ, บสแล้วก็มีสามแล้วก็มีสิบ บุญทานน้ำใหม่บุญธุรกิจการจะให้ทานศีลน้ำใหมบุญธุรกิจการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญธุรกิจการเจริญภาวนาเอาแค่สามก็พอเราทําบุญสามอย่างครอบทวนทุกคนที่มานั่งที่นี่ไม่มีใครไม่เคยให้ทานมีไหมมีไหมใครไม่เคยให้ไม่ทานไหมเนี่ยนั่งหล its, <m ach Great> ับไปคนแล้วคนที่ไม่เคยรักษาศีลก็ไม่มี คนที่ไม่เคยเรินภาวนาก็ไม่มีทั้งสามอย่างนี้เราทําเพื่ออะไรจริงๆแล้วเราทําเพื่อหวังนิพพานท่านจะหวังนิพพานหรือไม่หวังนิพพานก็ตามถ้าทำสามอย่างนี้ทําไม่เรื่อยๆทําบ้างไม่ทาบ้างไม่จะเว้นบ้างไม่ติดต่อกันบ้างก็ตามยังไงๆมันก็ต้องไปนิพพานถ้าอารมณ์เต็มเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นนี่ตอนที่จะไปนิพพานเขาทำยังไง ถ้าเรามันเกิดใกล้เตียงขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้จิตมันจะเริ่มรักพระนิพพานอย่างยิ่งถ้าจิตเริ่มรักพระนิพพานก็ควรจะเปลี่ยนคำภาวนาใหม่ให้คำภาวนาว่านิพพานาสุขขังให้จิตมันติดในโรงขงนานิพพานนี่พูดเฉพาะสุขขัตติโกนะถ้าท่านเได้มโนยิธิแล้วก็ไม่มีความจําเป็นไปเลยก็แล้วกันอยากจะไปนิพพานก็ไปให้มันถึงนิพพานหมดเรื่องราวไป สรับสุขังโกมันก็เมื่อจิตมันเข้ามาสูงสุดชานก็ผ่านไปแล้วมื่เข้าด้านวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณก็ไปขอพูดละเวลามันน้อยแต่คุณพูดมันไม่จบก็ให้ภาวนาวันนี้ผ่านอสุขขังภาวนาเรื่อยๆไปจนาจิตเป็นสุขจิตเป็นอารมณ์ไปดูเวขารมจนท่านจิตเป็นชานในนี่ผานสุขขังในเมื่อารมณ์ว่างใจอารมณ์อย่างอื่นขึ้นมาเมื่อไรจิตก็นึกถึงนี่ถึงจิตนึกถึงนี่ผ่านเมื่อนั้นนึกถึงคําำภาวนาเมื่อนั้น อย่างนี้ก็ถือว่าจิตเป็นฌานในอบในอุปสมานุสติกรรมฐานเขามีชื่อเขานะ่ะนิ่พานพัสสทั้งเนี่ยเป็น อ, อุปสมานุสติกรรมฐานถึงนั่นคือมรรคพันธ์เป็นอารมณ์ในเมื่อจิตเริ่มเป็นฌานแล้วก็ว่าต่อไปก็จิตก็จะเป็นสังขารโลเปิดขายยานยังไม่ถึง จิตค่อยๆเป็นสังขารรูปเปลี่ยนขยค่อยๆเป็น่นนะจะเป็นเร็วนะเพราพระพุทธเจ้าจะอายสังขารรูปเปลี่ยนขยังก็คือวางเฉยในร่างกายของเรามีความรู้สึกว่าร่างกายของเรายือยู่ในกฎของธรรมดาอารหันต์นี่ไม่มีอะไรมากยอมรับต้นที่ธรรมดาเท่านั้นเองธรรมดาของคนร่างกายมันต้องมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้น แในเมื่อเกิดแล้วก็มีการป่วยไข้ไม่สบายเป็นของธรรมดามีความหิวไป็ของธรรมดาแล้วก็ตอนที่ติดเมื่อเกิดแล้วก็เกิดก็ แ, แก่มีความแก่เป็นของธรรมดาถ้าความแก่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่หนักใจป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็ไม่หนักใจเพราะธรรมดาของร่างกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าป่วยแล้วมีทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ามีถ้าไม่มีก็ไม่ป่วยเห็นไหม ว่าท่านเจ้าเองก็ทรงป่วยบีทุกขเวทนาเหมือนกันแต่ว่าท่านก็วางเฉยพระอราหารันต์องค์ก็เช่นเดียวกันแต่อราหันต์บางองค์ถึงร้องก็มีนะแม้เวลาเดือนน้อยดีย๋ยวถ้าอาสัตชินี่เวลาก่อเจดิพานข้านัดร้องปวดท้องอืดมันเสียดเจ้ทั้งทนไม่ไหวบอกให้พระไปไปกราบคุณพระเจ้าให้มาหาช่างพระเจ้ามาหาได้นะ ถ้าป่วยพระเจ้าทรอนุญาตท่านลุกไปไหวในเมื่อพระเจ้ามาถึงแล้วท่านก็นจะลุกจากที่นั่าท่านจะนั่งสูงกว่าพระเจ้านั่งต่ากว่าพระเจ้าบอกว่าอสัชชิเธอยังอยู่ที่เดิมเธอนอนที่นั่นแหละอาตาก็จะจะนั่งตามที่พระจัดให้พระอาสัชชิก็ได้งานว่าเวลานี้ทุกเรตนา ม, มันมีมากเหลือเกินทนไม่ไหวจิตกระสับกระสายมากเข้าใจว่าความดีที่ได้แล้วจะสูญถ้านเป็นอรหันทร์นะ เข้าใจว่าความดีที่อะไรที่ส่วนพระพุทธเจ้าทำมอาสิชิเห็นว่าเธอเห็นว่าร่างกายเป็นของเธอหรืออาสิชิบอกไม่ใช่เจ้าค่ะแล้วเธอมีหนร่างกายอาสิจิบอกไม่ใช่เจ้าการแล้วเธอมีหน้าร่างกายร่างกายมีเธออาสิชิบอกไม่ใช่หมดท่านถึงว่าร่างกายไม่ใช่ของท่านแต่ทุกเวทนามางกินพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไดว่าร่างกายไม่ใช่เธอเธอไม่มีหนร่างกายร่างกายไม่มีเธออย่างนี้ความดีไม่ยังไม่สลายตัว ความดียังทรงอยู่ความบริหารยังทรงอยู่เห็น ไ, ไหมกรงความว่าในเมื่อทุกเวานานางเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราก็ไม่เกาะใจร่างกาย ร, ร่างกายเป็นเราเป็นของเราที่สุดทาสนิกรณิการกรงความว่าธรร่าสังขารเปรคา ย, ยานที่จะมีถึงที่สุดได้ก็คือยอมรับเอาถือกฎขุธรรมดา่าถ้าใครเขาด่าเขาว่าก็ถือว่าเราเกิดมาเพื่อเขาด่าเขาว่าถ้าเราไม่เกิดทุกอย่างมันจะด่าใครด่าเราไม่ถูกนไ เราเกิดแ ล, ล้วเราตายแล้วอะไรถูกใดก็ช่างปะไรคนเป็นด่าคนตายไม่เห็นของแปลกเวลามันหมดนะก็รวมความว่าค่อยๆเข้าถึงสังขารรเปลกข้ายค่อยๆยอมรับสังขารรับเปลกข้ายคือยอมรับกฎก็ธรรมดาถ้าเวลาไปทํางานทําการสึกคพื่อิจฉาไดิสิยาก็เสียไปเรื่องธรรมดาสํานักงานใช่ไหมที่นั่งเนี่ยทั้งหมดโดนเหมือนกันหมดนะะ อาตอนนี้ไปเขามันได้ญาติโ ย, ย, ยมพุทบริษัทไหลมาเลยเวลาแล้วนี่ตัานใจสมาทานถิ่นสมาธานมาจงมาทาน